ทุกข์สัตว์ความจริงคือทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงรู้ได้จากการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดก็คืออริยสัจสี่ที่เริ่มต้นด้วยทุกขสัจว่าภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจนี้คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกความคล่ําครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์และการไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาเป็นทุกข์เราโดยสรุปอุปทานขันหเป็นทุกข์าศาสนาในโลกนี้มีอยู่มากมายแต่ละาศาสนามีทัศนะต่างกัน ว่าอะไรคือความจริงที่เป็นแกนแท้ของชีวิตคําสอนในศาสนาอื่นจากศาสนาพุทธไม่ได้เกิดจากการเห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วสั่งสอนผู้อื่นเป็นแต่เพียงการคาดเดาเท่านั้นสาวกในศาสนาอื่นก็เชื่อตามคําสอนโดยอาศัยความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาไม่ใช่ยอมรับด้วยการอย่างเห็นจากประสบการณ์ของตน จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสจำแนกความเห็นผิดที่เรียกว่ามิชฉาทิฏฐิในศาสนาอื่นไว้ถึงหกสิบสองประเภทในพรหมชาลสูตรคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมิได้อาศัยการคาดเดาอย่างเดียวแต่สามารถพิสูจน์ความจริงให้ประจักษ์แจ้งได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์แปดดังที่ตรัสไว้ในบทนำของประสูตร์นี้ว่าทางสายกลางย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งความจริงอันประเสริฐนั้นมีสี่ประการหนึ่งทุกขศาสความจริงเกี่ยวกับทุกสองสมุตทยาศาสความจริงเกี่ยวกับเหตุให้เกิดทุก 3. ามนิโรธาสัตย์ความจริงเกี่ยวกับความดับทุกข์สมรรคสัตย์ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถึงความดับทุ ก, ก uk, ข์ผู้ที่ต้องการจะพ้นไปจากทุกข์จะต้องเข้าใจความจริงเกี่ยวกับทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์เสียก่อนและผู้ที่ต้องการจะดับทุกข์ก็ต้องเข้าใจว่าความดับทุกข์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรและการดับทุกข์ จะทำไม่ได้หากไม่รู้จักวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับความจริงทั้ง4ประการนี้จึงมีความสำคัญยิ่งทุกขศัตร์เมื่อพระผูมีพระภาคได้ตรัสจะรู้ความจริงที่สำคัญทั้ง4นี้แล้ว ได้ทรงแสดงทุกข์สัตว์เป็นลำดับแรกได้แก่ 1. ความเกิด 2. ความแก่ 3. ความตาย 4. ความเศร้าโศก 5. ความคล่ํากรวน 6. ความทุกข์กาย 7. ความทุกข์ใจ 8. ความคับแค้นใจ 9. ก, การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก 10. การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก 11. การไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนา 12. อุปทานคขันห้รายละเอียดในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ 1. ความเกิดความเกิดที่เรียกว่าชาติคือการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของรูปนามในภพใหม่ด้วยแรงกรรม เมื่อรูปนามในภพเดิมได้ดับไปแล้วจัดเป็นขณะที่เชื่อมต่อระหว่างภพเก่าและภพใหม่ที่เรียกว่าปฏิสนธิถ้าเป็นการเกิดในคันเรียกว่าคัพเสยกะซึ่งแบ่งเป็นสองอย่างคืออันทชะเกิดในไข่และชาลาพุชะเกิดในมดลูกในพระสูตรกล่าวว่า การปฏิสนธิในครรภอุบัติขึ้นเมื่อมีการผสมกันระหว่างน้ำอสุจิของบิดาและระดูของมารดาจึงเกิดเป็นรูปน้มใหม่ขึ้นมาวิทยาการสมัยใหม่กล่าวว่าเป็นการผสมกันระหว่างตัวสเปิร์มของบิดาและไข่ของมารดาการเกิดใหม่นี้อาจมีขึ้นในอบัยภูมิด้วยแรงบาปหรือในมนุษย์โลกด้วยแรงบุญ ขึ้นอยู่กับกรรมที่ส่งผลว่าเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้มีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่เกิดจากน้ำอสุจิของบิดาและระดูของมารดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีสภาพไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฟันและแตกสลายไป และวิญญาณของเรานี้อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้การปฏิสนธิยังมีได้อีกสองอย่างคือเกิดในที่ชื้นแฉเรียกว่าสังเสทชะเช่นหนอนแมลงหรือเกิดผุดขึ้นในทันใดเรียกว่าโอปปาติกะเช่นเทวดาสัตว์นรกและเปรตเป็นต้น ซึ่งคนทั่วไปมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เพราะมีรูปละเอียดเกิดจากกรรมเป็นหลักแม้การเกิดจะไม่ใช่ทุกโดยตรงแต่ก็เป็นการตั้งต้นของรูปนามที่จะเป็นฐานรองรับความทุกข์กายทุกข์ใจต่อไปจึงนับเนื่องอยู่ในความทุกข์ด้วยเปรียบเหมือนการลงนามในสัญญาที่ไม่ยุติธรรมตอนลงนามเซ็นสัญญาก็ราบรื่นดี แต่ทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นในภายหลังความทุกข์อาจแบ่งได้อีกเจอย่าง 1. ทุกข์ทุกขทก์ทุกแท้คือความทุกข์กายหรือความทุกข์ใจ 2. วิปริณามทุกข์ทุกแปรปรวนคือความสุขทางกายและใจซึ่งไม่ได้คงอยู่ตลอดไปคือแปรปรวนไป ก็ทำให้ผู้ที่อยู่สบายรู้สึกเป็นทุกข์ 3. ส, สังขารทุกข์ทุกประจําสังขารคือรูปนามทั้งหมดที่เป็นโลกิยธรรมพร้อมทั้งอุเบกขาเวทนายกเว้นตัญหาสังขารทุกนี้ครอบคลุมทุกขในทุกขสัตว์ทั้งหมด4ปฏิจจชนนัสทุกข์ทุกปกปิดคือทุกที่คนอื่นรับรู้ไม่ได้ เช่นปวดหัวปวดฟันห้าอปติชันนทุก์ทุกไม่ปกปิดเช่นความทุกข์กายที่เกิดจากแผลมีดแผลหอกแผลไม้ฝีบางแห่งเรียกว่าปากตะทุกคือทุกปรากฏชัดหกปริยายทุกทุกโดยอ้อมคือชาติทุก์เป็นต้น นอกจากทุกขเวทนาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์กายและทุกข์ใจต่อไป 7. อปริยายาทุกข์ทุกโดยตรงคือทุกขเวทนาในบรรดาทุกข์ทั้ง7อย่างนี้ชาติหรือการเกิดในภพใหม่เป็นปริยายทุกข์ความทุกข์ในนรกเปรตและเดรัจฉาน เกิดจากชาติทั้งนั้นแหละที่มีแรงบาปเป็นตัวหนุนแม้ผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์หากเกิดเป็นคนยากจนก็จะเป็นทุกข์เพราะขาดแคลนสิ่งจําเป็นต่างๆแต่ ถ, ถึงจะเกิดเป็นคนร่ํารวยก็ยังได้รับทุกข์กายทุกข์ใจจากโรคภยัยความชราความไม่สมหวังและความกลัวเป็นต้นดังนั้นการเกิด อันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ต่างๆในชีวิตจึงเป็นทุกข์การอยู่ในคันมารดาเป็นสภาพที่น่ารังเกียจมากยิ่งนักเพราะต้องขดตัวอยู่ในสถานที่แคบๆระหว่างกระเพาะอาหารที่เต็มไปด้วยอาหารใหม่และลำไส้ที่เต็มไปด้วยอาหารเก่าซึ่งล้อมรอบด้วยกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะต่างๆและหล่อเลี้ยงด้วยโลหิตของมารดา ยิ่งกว่านั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าได้ถือกำเนิดในคันมนุษย์ท้องวัวหรือท้องสุนัขเมื่อราวสามสิบปีมาแล้วมีพระธรรมะกถึกรูปหนึ่งมรสาทยายบทกลอนประกอบคำเทศนาของท่านบทกลอนนี้เล่าถึงเปลเด็กชนิดต่างๆบ้างทำด้วยทองประดับมรกตสำหรับราชโอรส บ้างก็สารด้วยหวยสำหรับลูกคนเข็นใจพร้อมกับถามว่าความชราคลืบคลานเข้ามาตลอดเวลาคุณจะเลือกนอนเปลไหนนี่เป็นคำถามที่น่าคิดเพราะเราจะต้องแก่และตายไปถ้าหากยังมีตัณหาอยู่ก็จะต้องเวียนมาเกิดอีกหากได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็คงจะต้องนอนเปล ผู้ที่ทำความดีไว้มากจะได้นอนเปรยทองผู้ทําความดีไว้น้อยก็จะได้นอนเปรยวายบทกรอ น, นี้สอนให้คนทําแต่ความดีเพื่อจะได้ไปเกิดในภพที่ดีมีแต่ความสุขสบายดังนั้นสิ่งที่เราควรคํานึงก็คือไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามในภพหน้า ก็จะต้องได้รับทุกจากการเกิดด้วยกันทั้งนั้นเราจึงควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรของการเกิดหรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดได้อย่างน้อยก็ควรพยายามไม่ให้ต้องไปเกิดในภพที่ต่ำคืออบายภูมิหลังจากปฏิสนธิแล้วในระหว่างที่อยู่ในคันเป็นเวลาเกือบสิบเดือนนั้นเมื่อมารดาเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินทารกในคันจะรู้สึกเหมือนลูกแกะน้อยถูกคนมาเวี่ยงไปมาหากมารดาเป็นคนสมัยใหม่ที่ชอบเล่นกีฬาออกกำลังดื่มน้ำเย็นหรือชอบกินอาหารรสจัดด้วยแล้วความทุกข์ทรมานก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอีกหลายเท่าครั้นถึงเวลาคลอดแม่และลูกจะยิ่งเจ็บปวดทรมานจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด พอครอจากคันมาได้แล้วผิวหนังที่อ่อนบางของทารกจะถูกอาบด้วยน้ำมือที่หยาบกระด้างเหมือนถูกถูกด้วยกระดาษทรายและเมื่อกระทบกับความร้อนหนาวเกิดปวดเมื่อยผิวหรือคันทารกก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ครั้นเจริญวัยขึ้นมาแล้วก็ต้องผเผชิญกับปัญหาอื่นๆเช่นต้องหาเลี้ยงชีวิต ถูกโรคภัยเบียดเบียนและถูกคนอื่นกลั่นแกล้งเราต้องทนกับความทุกยากลำบากเหล่านี้เพราะมีการเกิดพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ชาติปิดทุกขา์าเนื่องจากการเกิดเป็นที่ตั้งของทุกทั้งหลายการเกิดใหม่จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกับการเซ็นสัญญาที่จะสร้าง ปัญหายุ่งยากให้ในภายหลังความทุกข์ทางกายและใจเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากการเกิดหากยังมีการเกิดอยู่ตราบใดเราก็ยังไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ตราบนั้น 2. ความแก่ ความแก่คือความเสื่อมโทรมของรูปนามเช่นผมหงอกฟันหกักผิวหนังเหี่ยวยน่นหูตึงตาฟ้าฟางความจำเสื่อมเป็นต้นเหล่านี้เป็นความเสื่อมของรูปส่วนความเสื่อมของนามไม่ชัดเจนเหมือนรูปความจริงแล้วความแก่เกิดขึ้นทันทีที่คนเราเกิดมาคือวัยรุ่นแก่กว่าเด็กๆคนที่อายุยี่สิบกว่าปี ก็แก่กว่าวัยรุ่นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่แสดงถึงความแก่นั่นเองแต่เราก็เห็นความแก่ได้อย่างชัดเจนเมื่อสังขารเริ่มเสื่อมโทรมลงในพระสูตรนี้จึงหมายถึงความแก่ที่ปรากฏชัดเช่นผมหงอกหลังโกงเป็นต้นความแก่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่รูปและนามดารงอยู่ชั่วขณะ ไม่เป็นความทุกข์ทรมานในตัวของมันเองแต่เนื่องจากความชราทำให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายผิวพรรณกาลังวังชาและสติปัญญาอีกทั้งทำให้ถูกดูหมิ่นจากคนรอบข้างตลอดจนได้ชื่อว่าเป็นภารักของสังคมสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ความแก่เป็นทุกข์ชาราปิดทุกขาคนเราส่วนมากกลัวความชาราและพยายามทุกวิถีทางที่จะชะลอความชาราไม่ให้มาถึงแต่ก็เป็นความพยายามที่ไร้ผล 3. ความตายความตายคือการดับไปของชีวิต คือรูปนามที่ดำเนินไปไม่ขาดช่วงตั้งแต่ปฏิสนทิเป็นสิ่งที่คุกคามชาวโลกให้วันกลัวอยู่เสมอพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหมดกลัวความตายในวงเล็บสัพเพพยันติมุตจุโนความตายนี้มีการเกิดเป็นปัจจัยและสาเหตุของการตายมีหลายอย่างเช่นถูกทำร้าย มีโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยธรรมชาติหมดอายุขายหรือหมดบุญเป็นต้นแม้วความตายจะเป็นเพียงความดับไปของชีวิตไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทรมานด้วยตัวของมันเองแต่เมื่อความตายมาถึงเราจะต้องทิ้งร่างกายตลอดจนครอบครัวอันเป็นที่รักรวมถึงญาติมิตรและทรัพย์สมบัติไว้ข้างหลังการพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่าง ในพบปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับทุกคนนอกจากนี้การไม่รั่วตายแล้วจะไปไหนก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวด้วยเช่นกันในคำพีอัิกถากล่าวว่าคนชั่วที่ทำบาปไว้มากเวลาใกล้สิ้นชีวิตจะเห็นภาพกรรมชั่วที่ทำในอดีตในวงเล็บกรรมอารมณ์หรือนิมิตของกรรมชั่วคือกรรมมิมิต หรือนิมิตของอบายภูมิที่จะไปอุบัติขึ้นในชาติหน้าคือคตินิมิตการพบการเห็นดังกล่าวนี้ทำให้เกิดความทุกข์แก่ผู้ใกล้าตายมากส่วนคนที่ดีที่ทำบุญไว้มากก็จะได้รับความทุกข์ใจในขณะใกล้าตายเพราะไม่อยากจากคนที่รักและทรัพสมบัติไป เมื่อความตายมาถึงผู้ที่ใกล้ตายจะประสบความเจ็บปวดจนทนไม่ไหวเพราะความตายเป็นที่ตั้งของทุกขทางกายและใจพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์ในวงเล็บมรณาปิทุกขงัง 4. ความเศร้าโศก ความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเนื่องมาจากความสูญเสียเช่น 1. สูญเสียญาติเพราะการถูกปร้นสะดมโรคระบาดไฟไหม้น้ำท่วมหรือพายุในวงเล็บญาติพยาศนะ 2. ส, สูญเสียทรัพย์สมบัติเพราะราชภายัภยโจรภัยหรืออคีภยัยโภคะพยาสนะ สเสื่อมจากสุขภาพเพราะโรคในวงเล็บโรคพยาสนาะมสเสื่อมจากศีลธรรมอันดีงามในวงเล็บศีลพยสนะ 5. เสื่อมจากความเห็นชอบในวงเล็บทิฏฐิพยะสนะส่วนใหญ่ความเศร้าโศกมักเกิดจากการสูญเสียผู้ที่เป็นที่รัก เช่นสามีภรรยาบุตรธิดาพี่ชายน้องชายหรือเกิดจากการสูญเสียทรัพสมบัติความเศร้าโศกนี้จัดเป็นทุกข์ทางใจเรียกว่าโทมนัสจึงเป็นทุกข์แท้ที่เรียกว่าทุกขขทุกขความโศกเศร้าอาจก่อให้เกิดความบีบคั้นทางกายเช่นอาการแน่นหน้าอกอาหารไม่ย่อย อันเป็นเหตุให้เกิดโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้แก่คนตายก่อนวัยอันควรจะเห็นได้ว่าความเศร้าโศกเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางกายและทางใจที่น่ากลัวดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความเศร้าโศกเป็นทุกข์มนุษย์ทุกคนหวั่นกลัวความเศร้าโศก ทำให้มีผู้เขียนหนังสือแนแนวทางเพื่อให้หลุดพ้นจากความเศร้าโศกออกมานับไม่ถ้วนแต่ความหลุดพ้นที่แท้จริงนั้นจะมีได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักสติปัฐานสี่เพียงวิธีเดียวดังจะเห็นตัวอย่างได้จากเรื่องสันตติอมารถและพระเทรีปรตาจาราเป็นต้นในปัจจุบันมีบางคนที่สูญเสียบุคลิก อันเป็นที่รักหรือธุรกิจที่ล้มเหลวได้มาเจริญสติปัฏฐานสเพื่อใช้ธรรมโอสถเป็นยารักษาใจทําให้ความเศร้าโศกของเขาค่อยๆลดลงจนในที่สุดได้หลุดพ้นจากความเศร้าโศกโดยสิ้นเชิงเพราะปล่อยวางความยึดถือในตัวในตนอันเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกได้ 5... ความคร่ากรวนความคร่ากรวนเป็นการร่าไห้ของผู้ที่สูญเสียญาติมิตรหรือทรัพย์สินผู้ที่ประสบกับความสูญเสียจะเกิดความพรุนพร่านมัวแต่พร่ำรำพันถึงความดีงามของผู้ที่จากไปหรือพร่ำเพ้อถึงทรัพย์สินที่สูญเสียไปแล้วก็จะสาปแช่งศัตรู หรือผู้ที่ก่อให้เกิดความหายนะแก่ทรัพย์สินของตนแท้ที่จริงแล้วความคล่ําครวนเป็นเพียงเสียงที่เปล่งออกมาในวงเล็บสัทธรูปซึ่งไม่ใช่ตัวของความทุกข์แต่ผู้ที่คล่่าครวญอยู่มักรู้สึกถึงความไม่สบายกายพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความคล่่าครวนเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง หความทุกข์กายความไม่สบายกายเช่นความปวดเมื่อยร้อนเหนื่อยคันจัดเป็นทุกข์ที่แท้จริงหรือทุกข์คาทุกข์ที่ทุกคนรู้จักและหวาดกลัวแม้สัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขสุกรเป็ดไก่และนกเป็นต้นก็ยังวิ่งหนีไปทันทีเมื่อเห็นท่าทางของคนที่จะตีหรือยิงเพราะพวกมันจะกลัวความเจ็บปวดเหมือนกัน จึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเรื่องความทุกข์กายมากนักแต่ก็ควรทราบว่าความเจ็บป่วยก็จัดเป็นทุกข์และความทุกข์กายก็เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ใจตามมาพระพุทธองค์จึงตรัสถึงทุกข์ประเภทนี้ว่าถ้าบุคคลกำหนดรู้ทุกข์ทางกายตามหลักสติปัฏฐานทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดตามมาเขาจะเจ็บทางกายเท่านั้นแต่ใจไม่เจ็บ เราไม่มีตัวตนจะรู้สึกเจ็บพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญการปฏิบัติเช่นนี้ทรงตำหนิการปล่อยให้เกิดทุกข์ทางใจเพราะไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์ทางกายว่าเปรียบเหมือนการถูกลูกศรสองดอกยิงทะลุทำให้เกิดความเจ็บปวดสองอย่างจากลูกศรดอกแรกที่มีอยู่ก่อนและลูกศรดอกที่สองที่มีอยู่ใกล้แผลเก่า ทุกทางกายเกิดจากลูกศรดอกแรกและทุกทางใจเกิดจากลูกศรดอกที่สองเจความทุกข์ใจความทุกข์ใจเช่นความเดือดร้อนใจความเสียใจและความกลัวจัดเป็นทุกข์ทุกขสัตว์โลกรู้จักและกลัวโทมนัส จึงไม่ต้องอธิบายให้ละเอียดในเรื่องนี้โอมนัตไม่เพียงทำให้เกิดความทุกข์ใจเท่านั้นยังมีผลให้เป็นทุกข์ทางกายอีกด้วยเพราะผู้ที่ถูกความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงเข้าครอบงำก็จะซึมเศร้าจนกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพเสื่อมโทรมจนอาจสิ้นชีวิตได้ธอมนัตเป็นทุกข์ที่เอาชนะได้ยากมีเพียงพระอาหารหันต์และพระอานาคามี ที่จะละโทมนัสได้ผู้ปฏิบัติธรรมที่บำเพ็ญสติปัฏฐานสามารถกำจัดโทมนัสที่ปรากฏในปัจจุบันขณะได้ในบางขณะแม้จะกำจัดไม่หมดสิน้นก็อาจบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากโทมนัสได้ 8. ความคับแค้นใจ ความคับแค้นใจคือโทสะที่เกิดขึ้นเมื่อมีความทรมานทางใจจากการสูญเสียญาติในวงเล็บญาติพยาสนะเป็นต้นเป็นเหตุให้เราร้อนกายและใจจึงนับเป็นทุกข์ที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งในคำพีอัตถคถาได้อธิบายความแตกต่างกันระหว่างความเศร้าโศกความคล่ำกรวนและความคับแค้นใจว่า ความเศร้าโศกเหมือนน้ำมันหรือสีย้อมในหม้อที่ตั้งอยู่บนไฟอ่อนๆความคร่ำกรวนก็เหมือนน้ำมันที่เดือดล้นออกมาจากนอกหม้อที่อยู่บนไฟแรงๆความขับแค้นใจเหมือนตะกรอนที่เหลืออยู่ในหม้อหลังจากที่น้ามันหรือสีในหม้อเหือดแห้งไปจนหมดแล้ว ก้าการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักคือการประสบกับบุคคลหรือสิ่งของที่ไม่น่าปรารถนาแม้จะไม่ใช่ความทุกข์โดยตัวข้องมันเองแต่เมื่อบุคคลประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็จะเกิดอาการไม่สบายใจและไม่สบายกายพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ คนทั่วไปก็เห็นว่าการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นความทุกข์ซึ่งบางคนถึงกับอธิษฐานขออย่าให้พบกับคนหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจในชาติหน้าแต่เนื่องจากเราอยู่ในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่พอใจจึงต้องประสบกันทั้งสองชนิดนี้ตามเหตุปัจจัย ไม่ปังอาจบันดาลให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปสิ่งสำคัญก็คือเมื่อประสบกับสถานการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเราควรวางใจให้เหมาะสมกับการเจริญสติปัญญาโดยกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะที่เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นเพื่อหยุดกระบวนการของความคิดไม่ให้ปรุงแต่งต่อไป หรือเมื่อร่างกายรู้สึกไม่สบายก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความไม่สบายใจโดยกำหนดรู้ว่าถูกหนอรู้หนอเจ็บหนอเป็นต้น 10. การพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักคือ การแยกออกจากบุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนาแม้ว่าการพลัดพรากไม่ใช่ความทุกข์กายแต่ความทุกข์ใจย่อมเกิดขึ้นเมื่อสามีภรรยาบุรหรือทิดาต้องตายหรือจากไปหรือสูญเสียทรัพย์สมบัติที่หวงแหนไปทำให้เกิดความเศร้าโศกความคล่ำครวนและความรับแค้นใจติดตามมา พระพุทธองค์จึงตรัสว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์คนทั่วไปที่ไม่อยากจากผู้อันเป็นที่รักยิ่งจึงมักอธิษฐานขอให้ได้พบบุคคล น, นั้นอีกในชาติต่อๆไปความปรารถนาเช่นนี้อาจเป็นจริงได้หากทำกรรมดีไว้เพียงพอตัวอย่างเช่นครอบครัวของเศรษฐีเมนทกะประกอบด้วยท่านเศรษฐี ภรยาบุตรชายสายและหญิงคนช้ในชาติก่อนได้เคยอธิษฐานในขณะที่ถวายบิณฑบาตแด่พระประเจกับพุทธเจ้าว่าขอให้อยู่ร่วมกันอีกในทุกชาติด้วยอนิสง์ของบุญนั้นจึงได้มาอยู่ร่วมกันอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าของเรานี้แต่การตั้งความปรารถนาอย่างนี้เป็นการสร้างความผูกพัน จึงไม่เหมาะกับบุคคลที่ต้องการจะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์1 1การไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาการไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความไม่สมหวังผู้ที่ไม่ได้เจริญอริยมรรคมีองค์แปแต่ปรารถนาจะพ้นจากความเกิด ความแก่ความเจ็บและความตายก็จะไม่ได้สมปรารถนาเมื่อไม่เป็นไปตามความปรารถนาก็เศร้าเสียใจไม่เฉพาะแต่ความปรารถนาที่นิพพานที่ปราศจากการเกิดเป็นต้นเท่านั้นยังมีความปรารถนาในลาบยศสารเสินซึ่งไม่อาจได้มาดังที่มม่งหวังไวพระพุทธองค์จึงตรัสว่า การไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาเป็นทุกข์ 12. อุปทานขันห้าความทุกข์ทั้ง11ประการเริ่มตั้งแต่ความเกิดไปจนถึงการไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาเกิดขึ้นได้เพราะมีขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นดังนั้น อุปทานขันห้าจึงเป็นความจริงของทุกโดยย่อรูปประคันและนามขันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยึดมั่นกล่าวอีกในหนึ่งคือเป็นอารมณ์ของความยึดมั่นชื่อว่าอุปทานขันประกอบได้รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันรูปขันเป็นกองรูป เวทนาขันเป็นต้นเป็นกองนามหรือนามขันสัตว์โลกที่มีใจครองทั้งหมดนั้นประกอบด้วยขันหาตามที่กล่าวมาแล้วพวกเขามักยึดถือร่างกายซึ่งเป็นกองรูปหรือรูปขันว่าเป็นเราของเราเป็นสิ่งเจรังยั่งยืนเป็นต้นดังนั้นร่างกายจึงเป็นอุปทานาขันกองหนึ่ง ส่วนนามขันประกอบด้วยจิตคือผู้รู้ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกด้วยการเห็นได้ยินและเจตสิก ค, คือสภาวธรรมที่ปรุงแต่งจิตให้เศร้าหมองหรือหมดจดเช่นความโลภโกรธหลงเลื่อมใสระลึกรู้ตั้งมั่นทั้งหมดนั้นได้ถูกสัตว์โลกถือเอาว่าเป็นเรา เป็นจิตของเราเรากำลังคิดจิตเป็นสิ่งจีรังยั่งยืนดังนั้นสภาวาธรรมที่เป็นนามก็จัดเป็นอุปทานนักขันอุปทานนขันหในขณะเห็นเมื่อมีการกระทบสัมผัสทางทวารทั้งหเช่นตาเห็น หูได้ยินจะหมูกรู้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสจิตนึกคิดอุปทานขันา์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งในขณะที่มองเห็นแต่ละครั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยตาที่เห็นและรูปที่เห็นในวงเล็บรูปทำให้เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในวงเล็บเวทนาเกิดความจำได้หมายรู้ ในวงเล็บสัญญามีความใส่ใจที่จะเห็นในวงเล็บสังขารและจิตที่รู้การเห็นในวงเล็บวิญญาณผู้ที่ได้เจริญวิปัสนาภาวนาหรือผู้ที่ยังไม่ได้เห็นพระไตรลักษณ์มักยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นเขาจะเห็นว่า ตาที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นตัวตนของเขาและเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเมื่อเขาเห็นอวัยวะแขนขาของตนก็จะยึดถือว่านั่นเป็นร่างกายของเขานั่นเป็นมือของเขาเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเมื่อมองเห็นคนอื่นๆเขาก็จะเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงเรียกความยึดถือในจักสุและรูปรารณมว่ารูปุ ป, ปาทานขันในวงเล็บอุปทานขันคือรูปนอกจากความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจขณะเห็นแล้วยังอาจมีความรู้สึกวางเฉยเกิดขึ้นก็ได้โดยความรู้สึกวางเฉยที่เป็นไปในทางกุศลจัดเป็นสุขเวทนา ส่วนความรู้สึกวางเฉยที่เป็นไปในทางอากุศลจัดเป็นทุกขเวทนาทั้งทุกขเวทนาและสุขเวทนาที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดถือว่าความรู้สึกนั้นเป็นเราเป็นสิ่งถาวรยั่งยืนดังนั้นจึงเรียกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะเห็นว่าเวทนุปาทานนักขันในวงเล็บอุปทานนัขันคือเวทนา เมื่อมีการจำได้หมายรู้ในขณะเห็นว่าเราจำได้เราไม่ลืมจึงเรียกการจำได้หมายรู้นี้ว่าสัญญุปธานขันในวงเล็บอุปทานขันคือสัญญาในขณะที่มีการเห็นนั้นเพราะมีเจตนาที่จะตั้งใจจะมองและมีมนสิการคือมีการใส่ใจในการมอง นอกจากนี้แล้วยังมีผัรษะคือการประชุมกันของจักสุรูปและจิตที่เห็นและสภาวธรรมอื่นแต่เจตนาและมนสิการเป็นปัจจัยที่สาคัญกว่าจึงเน้นถึงสภาวธรรมทั้งสองอย่างนี้เท่านั้นการยึดถือในเจตนาและมนสิการว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่ยั่งยืน เรียกว่าสังขารุปทานขันในวงเล็บอุปทานขันคือสังขารคาว่าสังขารหมายถึงการปรุงแต่งและในกรณีของการเห็นนี้ก็คือสภาวะที่ทำให้เกิดการเห็นขึ้นนั่นเองสภาวะที่รู้การเห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืน จึงเรียกสภาวะนั้นว่าวิญญาณุปทานขันธ์ในวงเล็บอุปทานขันธ์คือวิญญาณการกำหนดรู้ว่าเห็นหนาเห็นหนาในขณะที่เห็นจะช่วยให้เรารู้เห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงว่ามีเพียงสภาวะเห็นเพื่อไม่ให้เกิดการยึดถือรูปนามว่าเป็นเราเป็นของเรา เป็นสิ่งยั่งยืนหรือน่าพอใจเป็นต้นอุปทานขันห์าในขณะได้ยินในขณะที่มีการได้ยินซึ่งประกอบด้วยหูเสียงและจิตที่รู้เสียงนั้นจะเกิดความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในวงเล็บเวทนา ความจำได้หมายรู้เสียงในวงเล็บสัญญาเจตนาและมนสิการในการฟังในวงเล็บสังขารพร้อมทั้งจิตที่ได้ยินในวงเล็บวิญญาณผู้ที่มิได้เจริญวิปัสนาภาวนาจะไม่รู้เห็นสภาวะธรรมเหล่านี้ตามความเป็นจริงจึงยึดถือการได้ยินว่าเป็นเราได้ยิน หูของเราได้ยินเพราะหูที่ได้ยินเป็นเหตุให้เกิดการยึดมั่นจึงเรียกว่าเป็นรูปอุปทานอาคา์ในวงเล็บอุปทานอันารคือรูปความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อได้ยินเป็นเวทนุปทานอัน า, า์ในวงเล็บอุปทานอาคนรคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ก็ทำนองเดียวกันการกำหนดรู้ว่าได้ยินหนอได้ยินหนอในขณะได้ยินจะช่วยให้เรารู้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงว่ามีเพียงสภาวะได้ยินเพื่อไม่ให้เกิดการยึดถือรูปนามว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่ยั่งยืนหรือน่าพอใจเป็นต้น อุปทานขันห์าในขณะรู้กลิ่นในขณะที่มีการรู้กลิ่นซึ่งประกอบด้วยจมูกกลิ่นและจิตที่รู้กลิ่นนั้นจะเกิดความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในวงเล็บเวทนาความจําได้หมายรู้กลิ่นในวงเล็บสัญญาเจตนาและมนุิการในการรู้กลิ่นในวงเล็บสังขาร พร้อมทั้งจิต ท, ที่รู้กลิ่นในวงเล็บวิญญาณผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสนาภาวนาจะไม่รู้เห็นสภาวะธรรมเหล่านี้ตามความเป็นจริงจึงยึดถือการได้กลิ่นว่าเรารู้กลิ่นจมูกของเรารู้กลิ่นเพราะจมูกที่รู้กลิ่นเป็นเหตุให้เกิดการยึดมั่นจึงเรียกว่ารูปปุปทานนะัขันในวงเล็บ อุปทานอาคนรคือรูปความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อรู้กลิน่นเป็นเวท น, นานอุปทานอันารคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ทำนองเดียวกันการกำหนดรู้ว่ารู้หนอรู้หนอในขณะรู้กลิน่นจะช่วยให้เรารู้เห็นขันห้าตามความเป็นจริง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 และจิต ท, ที่รู้รสนั้นจะเกิดความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในวงเล็บเวทนาความจำได้หมายรู้รสในวงเล็บสัญญาเจตนาและมรณาสิการในการลิ้มรสในวงเล็บสังขารพร้อมทั้งจิต ท, ที่ลิ้มรสในวงเล็บวิญญาณผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาจะไม่รู้สภาวะธรรมเหล่านี้ ตามความเป็นจริงจึงยึดถือการลิ้มรสว่าเราลิ้มรสลิ้นของเราลิ้มรสเพราะลิ้นที่ลิ้มรสเป็นเหตุให้เกิดการยึดมัน่นจึงเรียกว่ารูปปุปทานานขันอุปท า, านขันคือรูปความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อลิ้มรสเป็นเวทนุปท า, านขันในวงเล็บ อุปทานอาคา์คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ทำนองเดียวกันการกําหนดรู้ว่ารู้หนอรู้หนอขณะลิ้มรสจะช่วยให้เรารู้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงว่ามีเพียงสภาวะลิ้มรสเพื่อไม่ให้เกิดการยึดถือรูปนามว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งยั่งยืนหรือน่าพอใจเป็นต้น อุปทานขันห้าในขณะกระทบสัมผัสการกระทบสัมผัสประกอบด้วยกายประสาทที่รับการกระทบสัมผัสทั้งภายในร่างกายเช่นเนื้อเลือดกล้ามเนื้อและกระดูกและภายนอกร่างกายเช่นผิวหนังห่อหุ้มร่างกาย การกระทบสัมผัสจึงครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมากเราจะรับรู้การกระทบสัมผัสได้ทุกแห่งที่มีประสาทรูปซึ่งเป็นรูปละเอียดและไม่ใช่รูปทางร่างกายเหมือนจักู่ปรสสาทโสตประสสัต์คานาประสาตตและชิวหาปรสสาต์ที่เป็นรูปละเอียดไม่ใช่ดวงตาไม่ใช่ใบหูเป็นต้นเมื่อมีการกระทบสัมผัสเกิดขึ้น จะปรากฏลักษณะของธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมกล่าวคือธาตุดินมีลักษณะแข็งอ่อนไฟมีลักษณะร้อนเย็นและธาตุลมมีลักษณะหย่อนตึงความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบสัมผัสอาจมีได้เพราะร่างกายสัมผัสกันเช่นริมฝีปากนิ้วมือหรือสิ่งภายนอกมากระทบร่างกายเช่น เสื้อผ้าที่นั่งที่นอนพื้นดินน้าลมไฟหรือแสงแดดการกระทบสัมผัสแต่ละครั้งมักก่อให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันออกไปอาจเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบความจำได้หมายรู้กระทบสัมผัสนั้นๆเจตนาและมนสิการตลอดจนจิตที่รู้สัมผัส โดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่ชอบทุกขเวทนาในขณะนั่งนานมักปรากฏชัดกว่าอย่างอื่นในทุกขณะที่เกิดการกระทบสัมผัสผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เกิดความยึดถือรูปนามที่ปรากฏในลักษณะนั้นว่าเป็นเราหรือของเรา เพราะบริเวณที่มีการกระทบสัมผัสนั้นเป็นอุปทานธนาคโดยสภาวะกระทบสัมผัสนั้นเรียกว่ารูปปูปานธนาคารความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเวทนุประธานันา์ความจาได้หมายรู้สัมผัสเป็นสัญญุประธานธนาคารเจตนาและมนสิการเป็นสังขารุปประธานันธ์า และจิต ท, ที่รู้สัมผัสเป็นวิญญาณุประธานขันการกำหนดอากัปกิริยาทางร่างกายเช่นเดินยืนนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวพองยุบมีประโยชน์เพื่อให้เกิดสติประลึกรู้อุปทานาขันหนั่นเองเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้อากัปกิริยาดังกล่าวจะรู้เห็นสภาวะของาธาตุลม ที่ทำให้เกิดความตึงย่อนหรือเคลื่อนไหวได้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงรูปที่รู้อะไรไม่ได้และนามคือจิตที่รู้อกับกิริยาดังนั้นในการกาหนดรู้แต่ละครั้งเขาจะรู้เห็นว่ามีเพียงรูปและนามไม่มีรูปร่างที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือของเราและต่อไปก็ไม่รู้เห็นได้ชัดเจนกว่ารูปและนาม เป็นเหตุผลของการและกันเช่นการเดินมีได้เพราะจิตที่ต้องการจะเดินหลังจากนั้นเขาจะรู้เห็นการเดินดับอย่างรวดเร็วของรูปนามจัดเป็นการอย่างเห็นพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการรู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้จะขจัดความยึดถือในการยืนเดินนั่งหรือนอนว่าเป็นตัวตน เป็นเราหรือของเราการปฏิบัติธรรมเช่นนี้เป็นการตัดความยึดมั่นในขันหตามที่กล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่านัจ ก, กินจิโลเกอุปาทิยติและไม่ถือมั่นอะไรในโลกคืออุปทานขันการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เป็นอิสระจากความยึดมั่น ก็คือการเจริญสติกําหนดรู้กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมนั่นเองในบางขณะทุกเวทนาเช่นความปวดเมื่อยร้อนและทันจะปรากฏในบริเวณที่กระทบสัมผัสหากเราไม่ได้กําหนดรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสภาวะที่ทนได้ยากก็จะเกิดความยึดถือในตัวตนว่าเราปวดเมื่อย เราเป็นทุกข์จึงควรเจริญสติกำหนดรู้สภาวะตามความเป็นจริงอย่างจดจ่อต่อเนื่องเพื่อหลีเกเลี่ยงไม่ให้เกิดความยึดถืออย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นชัดจากประสบการณ์ของตนเองว่าทุกขเวทนาเป็นเพียงสภาวะที่ทนได้ยากตั้งอยู่เพียงชั่วขณะแล้วดับไปเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ควรยึดถือว่าเป็นเรา หรือของเราอุปทานขันห้าในขณะคิดจิตของมนุษย์สามารถคิดฟุ้งซ่านไปได้กว้างขวางมากและจะคิดนึกเรื่องราวต่างๆเกือบตลอดเวลาที่ตื่นอยู่นิวรณหคือกามชฉันทะพยาบาทถินมิทธะอุทจักกุกกุจจะ และวิจิกิจฉาก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความคิดทั้งหมดความดำริในกามความดำริในความพยาบาทและความดำริในความเบียดเบียนในวงเล็บการมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกก็เกี่ยวกับการคิดด้วยเช่นกันหากผู้ปฏิบัติทำไม่กำหนดรู้ความคิดที่เกิดในแต่ละขณะ ก็จะเกิดความยึดถือในตัวตนว่าเป็นเราที่คิดอยู่และเป็นสิ่งยืนยันเมื่อวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่าความคิดก็จัดเป็นอุปทานขันโดยรูปที่นามาคิดเป็นรูปปุปทานขันความรู้สึกสุขทุกข์หรือวางเฉยที่ปรากฏในขณะคิดเป็นเวทานุปทานขัน ความจําได้หมายรู้ก็เป็นสัญญุประธานาขัน์เจตนาและมนสิการเป็นสังขารู้ปธานาขันและจิตที่นึกคิดเป็นวิญญาณุปธานาขัน์สิ่งที่นำมาคิดนั้นอาจจะมีได้ทั้งรูปนามหรือบัญญัติคือชื่อหรือแนวคิดต่างๆการคิดถึงรูป จัดเป็นรูปุปธานขันาการนึกถึงนามจัดเป็นอุปทานขันาสี่อย่างอื่นส่วนบัญญัตินั้นไม่ใช่รูปหรือนามแต่นับเข้าในรูปนามตามสมควรเช่นในประโยคว่ายามปิดช้งนะและพติตมปิทุกขงังในวงเล็บการไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาเป็นทุกข์ซึ่งคำพี มูลตีกาอธิบายว่าการไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนานั้นจัดเป็นตัณหาที่อยากได้สิ่งที่ต้องการการกำหนดรู้ความคิดก็คือการรู้สึกตัวที่ได้คิดไปถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วโดยไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่คิดถึงเพราะสิ่งที่เราคิดถึงเป็นสมมติบัญญัติแต่สภาวะคิดที่เกิดขึ้นนี้เป็นสภาวะธรรม การกำหนดรู้ความคิดตามความเป็นจริงในแต่ละขณะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากไม่ได้กาหนดรู้ก็จะทำให้เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนที่เที่ยงและน่าพอใจความยึดถือเช่นนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดพบหมายตามหลักปฏิจจสมุปบาทว่าพบย่อมมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยในวงเล็บอุปทานะปัจจยาพโว เมื่อมีพบใหม่ก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นต้นติดตามมาถ้ามีการเจริญสติระลึกรู้ความคิดฟุ้งซ่านอย่างต่อเนื่องก็จะปรากฏความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนและเมื่อมีการอย่างเห็นพระตรัยลักษ์ความยึดถือในตัวตนก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อไม่มีความยึดถือพบใหม่ก็ไม่เกิด เมื่อไม่มีพบใหม่ก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นการสิ้นสุดของความทุกข์ในแต่ละขณะจัดเป็นปทังคหาปณะหากปฏิบัติต่อเนื่องไปจนบรร ล, ลุโลกุตระมักความทุกข์ทั้งมวลก็จะถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปเป็นสมุทเฉทปหานะดังนั้นในขณะที่กำหนดสภาวะพองยุบและอิรยาบทใหญ่น้อยอยู่นั้น หากมีความคิดฟุ้งซ่านแทรกเข้ามาผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้ว่าคิดหนออีกด้วยอาตมาได้กล่าวถึงอุปทานอคันห้าในขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและคิดฟุ้งซ่านโดยละเอียดแล้วคนทั่วไปที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานมักเห็นสิ่งต่างๆล้วนมีแก่นสารเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้าง แตในความเป็นจริงนั้นไม่มีแก่นสารอยู่ในรูปที่เห็นหรือเสียงที่ได้ยินมีเพียงอุปทานขันที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6เท่านั้นอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ความทุกในการมีพบใหม่การเกิดแก่เจ็บตายนั้นล้วนมีสาเหตุมาจากอุปทานขันห้า หากมีอุปทานนักขันห้าอยู่ตราบใดความทุกข์ก็จะมีอยู่ตราบนั้นอุปทานนักขันห้าจึงเป็นตัวทุกข์กล่าวโดยย่อคือเพราะมีรูปจึงมีความทุกข์กายและใจที่เนื่องด้วยรูปเพราะมีนามจึงมีความทุกข์กายและใจที่เนื่องด้วยนามดังนั้นรูปนามที่ประกอบกันเป็นอุปทานนักขันห้าก็คือตัวทุกข์ในอุปทานนันขันเหล่านี้ มีทุกข์ที่ทนได้ยากหลายประการกล่าวคือความทุกข์กายและทุกข์ใจที่ทนได้ยากเรียกว่าทุกขทุกคือทุกแท้ชาวโลกต่างกลัวความทุกข์เช่นนั้นดังนั้นอุปทานอันา์คือทุกขเวทนาจึงเป็นทุกขสัตว์ความรู้สึกสุขกายสบายใจนั้นเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจในขณะที่ยังมีความสุขอยู่ แต่เมื่อความรู้สึกสุขสบายหมดไปก็จะเกิดความทุกมาแทนที่ดังนั้นตามความเห็นของพระอริยะทั้งหลายความสุขสบายเปรียบเหมือนนางยักษ์ที่ล่อลอกให้คนลหลงไหลในความงามแล้วก็ทำให้เป็นบ้าคลั่งในภายหลังความสุขสบายนี้เรียกว่าวิปริณามทุก์คือทุก์แปรปรวนอุปทานขันคือสุขเวทนา จึงจัดเป็นทุกขสัดส์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนจึงจัดเป็นทุกขสัดส์เหมือนกันอุปทานขัคารหยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงทนเที่ยงแท้เหมือนการอาศัยอยู่ในอาคารที่กําลังจะพังลงมาได้ทุกขณะแต่คนทั่วไปต้องคอยบารุงรักษาขันที่ไม่เที่ยง ให้คงอยู่ในสภาพเดิมอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสังขารทุกข์คือทุกประจําสังขารหมายรวมถึงอุเบกขาเวทนาพร้อมทั้งสัญญาสังขารวิญญาณและรูปทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ขัตที่น่ากลัวอย่างแท้จริงโดยเหตุที่อุปทานนขันหเป็นตัวทุกข์พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ ในบทสรุปของทุกขสัตว์ว่ากล่าวโดยสรุปอุปทานขันห้าเป็นความทุกหมาห้ความว่ารูปนามซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นว่าเป็นเราของเราที่เที่ยงเป็นสุขไม่มีตัวตนเป็นทุกข อุปทานและอุปทานอันารคาว่าอุปทานต่างจากอุปทานอันา์คืออุปาทานเป็นความยึดมั่นด้วยอํานาจของตัณหามีสี่ประการ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในอารมณ์ที่น่ารักใกล้พอใจ 2. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในมิจฉาทิฏฐิเช่นเห็นว่ากรรม และผลของกรรมไม่มีชาติหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไม่มีรวมถึงความยึดมั่นในความเห็นผิดอื่นซึ่งไม่จัดอยู่ในศีลปตะประาปรมาศและอตตทิฏฐิ 3. ศีลพุตุปาทานความยึดมั่นในศีลพรษคือข้อปฏิบัติและพิธีกรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งอริยสัจส หรือเพื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8แต่เป็นความเชื่อตามกันมาว่าการหลุดพ้นจากสังสารวัฏและความเป็นอิสระจากความแก่ความเจ็บและความตายมีได้ด้วยการประพฤติเหมือนวัวหรือสุนักเป็นต้น 4. อัตวาทุปาทานความยึดมั่นว่ามีอัตตาอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตจัดเป็นสักยทิฏฐิหรืออัตตทิฏฐิ ในบรรดาอุปทานทั้งสี่ประเภทนั้นกามมุปทานเป็นตัณหาที่พอใจในกามคุณส่วนอีกสามประเภทเป็นความเห็นผิดจึงกล่าวได้ว่าอุปทานแบ่งเป็นสองประเภทโดยย่อคือความยึดมั่นในกามคุณที่น่าพอใจและความยึดมั่นในความเห็นผิดอันหนึ่งที่ตั้งของความยึดมั่นทั้งสองอย่างนี้คือรูปขันและนามขัน รูปประคันและนามะคันที่ถูกยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราชื่อว่าอุปทานขันส่วนความยึดมั่นรูปประขันหรือนามะขันว่าเป็นเราหรือของเราเรียกว่าอัตติติคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนอตัตติธินี้เป็นทางนำไปสู่ความเห็นผิดอีกสองอย่างที่เหลือเมื่อมีความยึดมัน่นด้วยอำนาจของตัณหา ก็จะทำให้เกิดความยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราในพระสูตรได้กล่าวถึงการครอบครองด้วยตัณหาในลักษณะนี้ว่าเอตังมะมะในวงเล็บสิ่งนั้นของเรานามขันซึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นได้ชื่อว่าขันไม่เป็นอุปทานาขันได้แก่เวทนาสัญญาสัญขารและวิญญาณ ที่ประกอบร่วมกับมัคคจิตและผลจิตอันเป็นฝ่ายโลกุตระรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นฝ่ายโลกิยะจัดเป็นอุปทานาขันเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นอุปทานาขันในฝ่ายโลกิยะแบ่งออกเป็นจิตเจตสิกและรูปซึ่งปรากฏทางทวารหกในขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่น ลิ้มรสกระทบสัมผัสและนึกถึงเรื่องราวต่างๆแก่ผู้ที่ไม่ได้เจริญฌานหรือแบ่งเป็นรูปฌานและอรูปฌานแก่ผู้ที่สำเร็จรูปฌานและอรูปฌานอุปทานขันห์าเป็นทุกขสัตว์ที่เหมาะสมจะยกขึ้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ต่อไปว่า ทุกขสั์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ตามความเป็นจริงในวงเล็บปริญญเยยยธรรมด้วยวิปัสนาปัญญาที่พัฒนาจนเป็นมัรคยานออกทั้งตรัสระบุว่าปัญญาที่เกิดจากการกำหนดรู้ทุกขสั์เป็นสัมมาทิฐิดังที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องสัมมาทิฐิในบทนี้ได้อธิบายทุกขสัตคืออุปทานขันห้า ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นสภาวะของอุปทานขันหโดยประจักษ์ได้ด้วยการกำหนดรู้รูปในวงเล็บตาบวกสีหูบวกเสียงเป็นต้นและนามจากักขูวิญญาณและโสตวิญญาณเป็นต้นจนกระทั่งอย่างเห็นไตรลักษณ์ของขันหด้วยประสบการณ์ของตนเองเท่านั้นเนื่องเพราะไตรลักษณ์ปรากฏอยู่ในอุปทานขัน ที่มีจริงเท่านั้นไม่ปรากฏในสมมติบัญญัติที่ไม่มีจริงเหมือนเงานกที่ปรากฏในน้ำ